يا رب اكرمنا ขอเจริรญาตสาธุชนท่านวันนี้ระรเ่ว่าราทั้งที่มารวอยหลวงพ่อไม่ราว่านระรสสหรว่ารรที่อที่ปราตพวกเราาย กะเห็น ว, เนว่าท่าเกิดวาที่มีมัาคันสูงพวกเรามาเพื่อมาเข้าร่วมในงานที่คุณปัญญ า, า, า, า, าทำหลายคนที่ได้มาพบมาผ่านมารูจากข้อควาเที่ตัวเอน ก็รู้สึกเสียใจังว่ามีความัใจในวาระการตเมื่อได้ผู้กตก็รู้สึกความอที่ปรากออกมาจากความีและอาจตัดสินใจตอนเราได้ใจในติาก็เขงาใจระตัสเอว่า หลวงพ่อ่าน้มีวานาแน่แน่โไม่หว่านไหวต่อรตาต่อททั้งฝ่ายและฝ่ายว่าามีวาทีีมันในโดยคนที่จะเ็นท่านยายามกเกิามกเกนก่าบว่า ไม่ให้มันกลายนที่เกิดความไม่มีใจหวั่นไวได้เลยและตอนนี้หลายคนจะได้เห็นการต่างๆต่างที่ไม่มาุเลยจะพูดก็ได้ว่าท่านราศีมิถวนตัให่ไม่มความเอาเลยก็ว่าแต่หลายคนที่ไม่มตา สัมผัท่านได้สนิทสนมกับทานหรือได้ได้เห็นท่านแต่ก็มสัมผัสไปดูท่านแลพก็สัมผัรได้ในคำสอนของหลพ่อหลวงกได้ได้รมะที่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนของผู้คนจำว่าแม้จะ ไม่ได้ก็ตัดส่วนท่านอาจจะมีความสามารถในการรับโทษให้ล่าภได้แต่สิ่งที่ท่านได้ับช่วงเนั้นมีมากว่าโทษและราเพราะว่าความที่ได้รับการพันสามารถระตุ้นให้่า เก้าความไม่มั่นคงหรือว่าใความคืสิ่งี้ตัองาที่มีคาทิ่งกว่าสัมสิในขอความมัหรือว่าโลกความฝ่าัขงตัวทันสอนเราพ่อเม่เราอันมาพุลาเดือนไม่ใช่เป็นพ่อ ไม่ใช่เพีาสูงงดับการนิมานั้งครั้งที่พอในสมัยที่หนึงท่านก็้มาจัดเจอสคัในเรื่องกานมมาตั้งจเป็นหมอตามช่วยบำบัดขับไล่โรคภัยด้วยนักดาบนั่งภาใน ทางเรื่องาวของของมาราพาผู้วนให้บำเพ็ญพุทธกุศลแต่เมื่อท่านได้ปกุบันิธรรมกลับเข้าอจคนเข้าใจธรรมะในขบวนศึกาศาสนาอย่างแท้จริงท่านเคยกล่าว่าสุคริตบาลานิสัยหลาดนี้ยไม่สามาจะเปิดเผยท่ซึ่งของของไทยอย่างแด้จริง ถ้เว่เมื่อการงานต้องทตามหลักของของผูคนเรื่องการศึกษาเรื่องทีริบปัญหาก็จะตชื่อไปจากจิตใจของท่านและท่านก็รับดในสิ่งนี้โดยสิ้นเชิันบรรพชาผู้คนให้ได้เป็นอลักธรรของพระธรรมาือธรรม โดยายแนวทงการเคลือของง่อิะโซึ่งเป็นอาจารยของทาคนเราบาคนเนี่ยนดยารจัือกับหลวงพ่อเราต้องร่วมกับความความเความตาควาัดสงสูงท่น่เราจะเห็นภาพล่างตาดัน เราามรรักษาปุจจให้ให้ความรทั้งตัวเลยทันทีนี่คือสิทธที่หลวงพ่อกำลังได้สอนแจกปุจจัยทันทีท่านจะเน้นให้พวกเราหันมทีตัวเลยทั้งตัวเองด้วยการทำมาทั้งตัวซึ่งตัวเองด้วยการหันมา รู้จักกาและใจเพราะว่าความรู้แจ่ในความไปของการแก้ไขโดยมีสติโดยมีความรู้กตัวเป็นอุ ป, ปรกรณ์จะสามารถํำมาให้เราคนรับความร้ไคนเราถ้าขาดความรู้สึกตัวแล้วก็มีความวรน้แจ้ง แม้กะรนำความมีภาพลัจากความรู้ทกตัวความมีนั้นก็อันจะกลายเป็นความชั่วหรือตออให้กับเราเช่นถ้าเราให้ทานโดยไมปมีความรู้ทุตัวการใช้ทานนั้นอาจจะเป็นการเติมแต่งคุณคเาของเรามากขึ้นทำให้เป็นรู้พร้อมกาไให้ทานนั้น เป็นทุ้เพราะว่าทําดุงได้ร้อยคนไปหรือว่าทุกขเรามีคนมาแย่งชิงตาดหน้าการทำดึงของเราอยากจะทําดุงแต่แถวปัญญาโบมดเกิก็เกิดความทุกข์อันนี้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกตัวก็ทําให้การทำดุงนั้นกลายเป็นการสั่งโสอนให้คนคนละคนในใจกอย่าง การรักษาศีลก็เช่นเดกันถ้าปราศจากความฉุกตัวแล้วก็จะเกิดความมั่นคงมั่นหวงตัวโดว่าเป็นผู้ไม่ดีศีลและผู้คนีความฉุกตัวนั้นเป็นสิ่งสาคัญในการกระโดดราวลาหรือการเป็นผู้ิษเพราะว่าโดยความฉตัวนี้จะทาให้ได้เหิดความของการได้ใ และก็จะพบว่าแท้จิงแล้วความภูมิใงคนเรามันก็เื้อมเกิดการหลงการเข้าไปในความคิดในอารมณ์ในความรู้สึกดูภเขียนสอให้เราได้ตั้งคมความงาของสติให้สตินั้นเป็นสัญญาณใดที่ทำให้เราได้รู้เท่าทัน ความรู้สึกอความิที่ปุแต่งขึ้นมาในจใจคนเราทุกคั้งความคิหรือทาให้ทุกข์็คุกร้ไม่เห็นความคิดทุกครไม่มี้ความคิดและเพราะหนั้นเองความคิดที่ปรแต่งขึ้นมาด้วยความด้วยความไม่รู้ตัวก็ได้นามาความทุกข์มายั่ เราทุกครั้งที่เกิดขึ้นไปถึงเหตุร้ายใดๆหรือว่าไปกังวลกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถูกแต่ไปในทางรายหรือว่าทุอความคิดที่ถมกแต่งไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความห็่งคยไฟังว่า เมื่อสิบหือี่สก่อนเคยครั้งหนึ่งเนมาปฏิบัติจากท่านพี่ชายเป็นคนพาพระสุนทรนั้นเนี่สีหน้าท่านไม่้มีความสุขเลยเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะมาดูแต่ที่ชายมาต่อให้เมื่อมาถึงท่านสลวงพ่อก็ให้ ปฏิบัติด้วยการเงตงสร้างใจเขาทำได้หรือเขาดูได้แค่วัน2อวันเขาก็มาอสูตรจากหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เชื่อไมล้วกให้เขาไปปฏต่อไปเดินตงตงต่อเขาหายไปสัมภารแล้วเขาก็กลับมาขอสหลวงพ่อก็ปฏิเสธเขาไม่พอใจ หายไปสักครับแล้วกลับมาลบหลรบดูยันว่าจะสึกให้ได้เพราะว่าเขามางตัวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพื่อปฏิบัติแค่มางอยเาเฉยๆคือรับปักที่ชายไว้แต่ตอนนี้ก็ค่านไสองวันแล้วถึงเวลาจะสึกสทีหลวงพ่อก็เลยถามเาว่าอะไรทำให้ท่านมาสึกสัผง เขาตอบว่าที่แรกเขาคิดซ้ำแล้วเขาตอบว่าความคิดนั้นหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าคนเรานี้เมื่อมันคิดแล้วเนี่ยต้องทําตามความคิดทุกอย่างหรือถ้าเราทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือแล้วหลวงพ่อก็ไล่เห้เขากลับไปปฏิบัติต่อวันรุ่งขึ้นาตร์ พอเขาเป็นพ่อเดินมาท่าทีก็ตรงปัหาหลวงพ่อแต่แทนที่จะต้องเล่าขอศีลกลับกราบหลวงพ่อด้วยคาเอารพแล้วก็บอกว่าขอบคุณหลวงพ่อที่มาตามตวเขาไม่ให้ศีลเพราะว่าเขาศีลไปแต่่อวานเขาก็คงจะพลาดคนไปแล้วเพราะว่าสองวันานมา พาลูกนี้คิดการเลื่อนจะจหาปืนเพื่อเป็นท่าสคนสองคนเข้าใจว่าพมจะมาเป็นอริยาจูเขาคิดกัตนตลอดเวลาว่าจะหาปืนจากไหนและจะท่าอย่างไรถ้าสร็แล้วจะลหลบอย่างไรไม่ให้ตำรวจจับได้แต่การที่คุณพ่อมาทักทวงเขา ทำให้ได้สะดุขึ้นมาไม่ทำตามความคิดนั้นสุดท้ายก็เลยไปสึกและปวต่ออีกหลายปีจนลระทั่งมรณภาพในภาใเหนือคุณพ่พอได้ชี้แล้วชี้เล่าว่าให้เราหันมีสะดรู้ทันความคิดเห็นความคิดนินาอนาโว อย่าเข้าไปเป็นและถ้าเราเข้าไปเป็นเมื่อไรความทุกก็จะครองครองหัวใจเราได้ง่ายหลว่า่อขอให้เรารู้เข้าทันความคิดด้วยใจที่เป็นรางต่างขั้นได้พูดเสมอว่าให้รู้ื่อซึรู้ซื่อๆ้งกรู้รู้เฉโดยไม่ขัดสายโดยไม่ ปัยหาหรือว่าหลงติดหลงเพลิการที่รู้สู้กเจะทำให้เห็นใจและใจตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นจนบรรลุปรวโมสมพุทธมายาที่จิตคลุ่แต่งขึ้นมาโดยฟอกมายาภาพเกิดตนตนที่ทำให้เราหลงคิดว่ามีตัวนตนแต่แท้จริงแล้ว มันไม่ใช่ตัวเรามันมีแต่รูปกับตามันมีแต่กายกับใจแต่เป็นข้อความไม่รู้ตัวเป็นข้อความโง่จึงถูกแตะตัวตนขึ้นมาบดบังความจริงเกี่ยวกับกายและใจเอาไว้กว่า当我们มีสติและมองสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นรางหรือรู้ซื่อชื่นก็จะเห็นความจริงเป็นลำดับไป ไม่ใช่เพียงแค่กายใหญ่ลื่นนาแต่ยังเหนความเกิดดับของนามรูปเห็นปฏิจจังที่ต่างกันตามองผลลัพธ์ส่งผลจนไปเห็นถึงประวัตตุฝังที่ที่สุดซึ่งจะทาจําไปปล่อยวางจากความตินมั่นในชวตตนตได้ซึ่งตรงนี้แหละที่จะเป็นอทาหรสูส่ความพ้นทุกข์ทำให้จิตเป็นสระ จนกระทั่งอยู่ในภาวะที่หลวงพอชอบใช้ําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือว่าไม่สําคัญว่ามายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี้เพราะความสําสคัญว่านายเช่นนี้มันยังเป็นมันยังเดินจากความยึดติด้วยอำ น, นาจของภาษาด้วยอำ น, นาจของความรู้ในตัวของคุณ เราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ยึดมั่นมั่นในความเป็นเช่นนั้นมันก็จะเม่นีทุกเกิดขึ้นได้แต่เมื่อการ์ตาที่เราสัมผัสตหมายว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นรูปเป็นคนไข้เป็นร่างเป็นน้ำปฏิบัติเป็นคนเจ่เป็นคนไม่เก่งความทุกก็จะเกิดขึ้นได้เพราะ ความสำคัญทั้งใยที่ว่ามันมันเือเจอด้วยตัวเอลยดูครอมรองด้วยบาป บ, บาสมัยหนึ่งเมื่อครัง้งทีุทธจายังสนุรสนุกชีพอยู่มีพรางคนงชื่อโทนัมราได้เห็นพระพุทธเจ้าเดินอย่างสง่าสงบสมบูรวราศีก็เลยถามพระองค์ว่าท่านเป็นเทวดาไม่ใช่ พระพุทธเจ้าปฏิเสธเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นคนทันใช่ไหมเพราะองคก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันเขาถามต่อบว่าท่านเป็นยังใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธสุดท้ายเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นมนทันใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธเชนเดียวกันโทนัทก็สงสว่าตกลงพระพุทธเจ้าเป็นใครพระองค์ก็อธิบายว่าอาสวะกิเลส ที่จะทำให้ทุกคนสำนัตนว่าเป็นเทวดาเป็นคนพันเป็นยักษ์เป็นอนุษย์เราได้ล้างแล้วได้ดูดฝอนของสึมแล้วและพระงค์ธิบายต่อไว่าดอกลัวเกิดในน้ำโตในน้ำแต่ตั้งอยู่นน้ำและน้ำไม่อนุญาตใหได้ันใด เราก็เช่นเดียวกันแม้จะเกิดในโลกเติบโตในโลกแต่เหนือโลกและไม่จึกระโลกแล้วก็พูดกับตสราภต่อว่าขณะนั้นก็ขอให้ท่านถือว่าเราเป็นพุทธะเถิดเป็นพระโต้งก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรเหมือนกันไม่เป็นทั้งเทวดาไม่เป็นั้งยักษ์ไม่เป็นทั้งคนงามไม่เป็นทนุริศกอน้มันติและสัมบู และถ้าไปยึดนมันเมื่อไร ก, ก็จะเป็นทุกข์พร้อมเป็นความยึดด้วยปัญญาเรื่องความจึดมัน่นหลวงพ่อได้อยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งทำให้ท่านสามารถจะอยู่ได้อย่างสงบเย็นนิ่งมันนน่นคงจักธัร ไม่หวั่นไหวต่อมมความผัมในผวนแปรปรวนได้หลวงพ่อได้เป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์อย่างที่สุไม่เฉพาะทำที่ท่านสอนอย่างเข้าใจงานแต่มีความรึกซึ้งเท่านั้นแต่หลวงพ่อยังทำให้ดูอยู่ให้เห็นและเย็นให้เราสัมผัสได้ กล่าวได้ว่าคุณพ่อคุาแม่เนี่ท่านดูด้วยสติโดยตลอดด้วยความม้สตัวตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาทำผิการงานหรือเวลาอยู่ในเื่องบุปกติท่านแสดงให้เห็นความมีสติความม้สตัวตลอดเวลาแม้จะเจอการกระทบกระแทกเจอการสายไ้าไฟสีเจออุปสรรคท่านก็ ยังสงบนิ้มัน่นคงทำให้อัตมาไปได้ทียจถึงข้อความตอนในมงคลสูตรที่เนีย้ว่าจิตของผู้ใดโลกกับธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกร้ายดุกมีเลยข้อนั้นเป็นมงคลนสูงสุ ด, สดในยามปกติท่านสมมนิ่ ในยามเจอปัญหาก็ไม่แฟงในยามนักธรรเสริญทั้นก็ข้าถืออย่างน้อยเข้าที่เราเจดจากการที่ได้เห็นใจเชิ่อับท่านใช่แต่ตอนนั้นเวลาท่านล้มป่วยอาพาธท่านก็แสดงให้น้อยเห็นว่าความป่วยนั้นเกิดขึ้นแต่กับกายใจไม่ได้เป็นด้วย บางครั ang, chi, ้งท่านชีให้ลูกสิยดูลูกสิ์จนวนหนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจที่เห็นหลวงอบป่วยรักษาตัวอูที่งพยบาท่านชีไปที่คนหล่อนั้นก็บอกว่าคนหล่อนั้นเปน่วยคนนั้นนัแต่หลวงอวและเมื่อท่านา่าทัสุดท้ายท่านก็สามารถจะอยู่กับความจป่วยได้ โดยที่ไม่แสดงอาการมีคุณเคือหรือว่าวันวหวพร้อมที่จะอยู่กับทุกขเวกนาได้โดยใจไม่ฟุ้และพร้อมที่จะเผชิญกับความตายได้ตลอดเวลาจนกระทั่งผู้ที่ดูแลรักษาท่านบอกว่าดูแลกัวงพอเนีย สบายอย่างก็คือว่าไม่ต้องดูแลจิตใจท่านด้ยเพราะปกติแล้วในการดูแลผู้ป่วยดูแลกายก็พอต้องดูแลใจด้วยแต่กับหลวงพ่อทนเนี่ยดูแลแค่กายก็ติียงพอแล้วส่วนจินใจไม่ต้องดูแลข้ามตรงเงินขามท่านต่างหากนะที่สาที่พูดและปฏิบัติเพื่อเสมอกับเป็นการดูแลจินใจ ของผู้ที่อุอปถัมภ์ดูแลท่านหลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอในยามอาภิธรามด้วยการเขียนเป็นบันทึกว่าธาตุฐารกำชมลุศเหมือนกับเวียนเวียนที่กําลังชมลุศแต่ว่าตอนนี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรจากอะไรต่างครั้ก็มาพูดว่าตอนนี้ฉันจะไปทํา เพราะว่าพาดพันเนี่ยสันแทบจะไม่รู้แล้วแต่ก็ได้อาศัยธรรมนาพาอาศัยธรรมที่ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียนโดยเฉพาะเรื่องความเกิดจองกามารูปก็ทํำให้ท่านเนีสามารถยกวานหยุดป่วยได้โดยที่ไม่พูดและเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องละสังขารที่ลมท่านก็แสดงให้สิจญาทรสิทธิ ได้เห็นว่าท่านพร้อมที่จะจากไปโดยไม่มีความวกหาอะไรหรือมีความผิดกติอังวลตรงในาพบบาท่านกัำลังความสุบตัวเดิตลอดในช่วงมองสุดท้ายของการอาภาต่อที่ใจละสัมผาท่านมีปัญหาเรื่องการหายใจมากเพราะว่าเนื้อก่อนเนื้อที่ ที่คอของท่านนี่มันขยายจนกระทั่งมันกาลังจะปิดหลอดลมแล้วก็จอดปิดกำลังจกดีข้อช่วยหายใจช่วงที่การหายใจกำลังติดขัดและรูกสิษยสกำลังเดีย๋ยยาเพื่อที่จะลดอาการปวงของก้อ น, นเลือนั้นท่านควรรู้ ว, ว่าตอนนั้นเน่ยท่านควจะไปรอดนะแต่ถ้าไม่ติดสนิทท่านขอไปเข้าห้อ ง, งน้ไปถ่ายพิาร เสร็จแล้วก็ล้างหน้าล้างมูให้สะอาดแล้วมานอนบนเตียงโดยที่ไม่กินไปไหนท่านเลยและระหว่างที่หา ร, ารใหายใจติดขัดรู้สึกก็กำลังพยายามตลไมันุ่เพื่อช่วยท่นานรอบตัวสามสิคนท่านก็ขอกระดาษแล้วก็เขียนข้อความสั้นๆว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตา หายความว่าท่านยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ไม่ต้องทนแล้วนะหลวงพ่อพร้อมจะไปแล้วยันยันเลยยันขวายเลยถ้ารู้ตัวว่านี่คือวาระสุนท้ายของท่านเมื่อยื่นกระดาษให้ท่านก็อนอมมือเสมือนกับขอบคุณลูกศิษย์ที่ดูแลท่านแล้วก็เป็นารสั่งลา ไปในตัวด้วยสักพักท่านก็หลับตาแล้วในที่สุดไม่นา น, นจากนั้นลมหายใจก็สิ้นเสียงแล้วก็ไม่พบสัญญาชีพของท่านอีกเลยในราฐติมห น, น้าของวันที่23สิงหาคือเมื่อ2วันที่แล้วหลวงพ่อถ้าแสงให้เราเห็นว่าท่านอยู่ด้ดวยสริปว่วยดว้วยสริญญ และเมื่อถ่งคาวตายก็ตายด้วยสติด้วยความมีตัวนี่คือคำสอนสำคัญที่พันมอบให้กับเราเป็นครั้งสุดท้ายว่าความตายแม้ไม่มีใครหนีง้นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์เพราะความตายเราสามารถจะตายได้ด้วยความสงบด้วยอาการที่มีสติู้วยสตนตัวได้ เรามีจเป็นต้องทุกข์พความตายสามารถจะยกจิตเหนือคว า, ามตายจงกระทั่งพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ดังที่พระพุทธเจา้าและมูบาอาจทั้งต่างได้สอนแต่นั่นเป็นคำพูดที่จะยกมาในประไตรปิตกและเรื่องเราแต่วันที่ศาลสินหารูกสิษนั้นจะได้เห็น ด้วยตามคนหนึ่นว่าการจยากไปเช่นนั้นเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นการบ้างที่ลูกศิษย์ควรจะน้อมเข้ามาพิจารณาว่าเราจะสามารถทำเช่นนั้นได้หอม่เราทุกคนต้องตายแต่เราปรารถนาที่จะตายอย่างไร เราอยากจะตายด้วยความทุรทุรายกระสักราสานหรือตายด้วยความสงบเราอยากจะตายด้วยความหลงเรื่องสติหรือตายด้วยการมีสติจนวินาศสุดท้ายถ้าเราต้องการตายอย่างมีสติไม่ทุรทรายเราก็ควรติดความสำคัญของการเตรีตัวด้วยการ ใช้ชีวิตอย่างมีสติทำกิจการงานต่างๆด้วยความรู้สึกตัวและเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเราก็จะพร้อมอาจจะพร้อมถึงขั้นว่าไม่ต้องเตรียมใจแล้วดูแลแค่กายก็พออย่างหลวงพ่อคาเสียงเนี่ยในเวลาสุสำคัญของท่านท่านไม่ต้องเตรียมเตรียมใหญ่อะไรเลยท่านเตรียมแต่รักษาการใ้สภาว เป็นปิติไพ่ของท่านเขาเรื่องการรักษาใจการฝึกใจท่านทำไว้นานแล้วแล้วก็เสร็จไดดานแล้วพวกเราต้อหากที่อาจจะยังไม่ได้ทำเลยหรือทำเพียงเล็กน้อยก็ต้องภาคเรียนพยายามที่จะนำคำสอนของท่า น, านไบบปฏิบัติหรือว่านำเอา ท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและในการเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความตามด้วยใจไม่กลัวหลายคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาที่จะฝึกปฏิบัติแค่ทำมาจิตก็เหื่อยแล้วจึงมีคนถามหลวงข้อจงนองนี้หลวงข้อถามว่าถามกลับไปว่ า, วา แล้วท em. <Yes> ําไมมีเวลาทุกข์ทไมมีเวลาโกเราไปถามือัวเราเองไหมว่าในเมื่อเราไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาเจริญสติแต่ทําไมเราจะมีเวลาทุกเราจะมีเวลาโกรวันนึงเรากรธไปกี่ชั่วโมงวันวันหนึงเราทุกไปกี่ชั่วโมงทําไมเราไม่เวลาโกรธทำไมเรามีเวลาทุกแต่ทําไมเราถึงบอกว่า ไม่มีเวลาปฏิบัติหลายคนมาบอกกาบธรรมาหลังจากที่หลงพ่อได้ลัสั่งการไปว่าเสียดายมาไม่ทันมาไม่ทันคือว่ามากราบหลวงพ่อไม่ทันตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่จริงแล้วเนี่ยถึงจะมากราบหลวงพ่อไม่ทันแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าก็คือว่าเรายังสามารถทาสิ่ง สำคัญได้ทันเรายัางมีเวลาที่จะทำสิ่งสำคัญสำคัญได้ทันสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการฝึกตนให้เป็นผู้มีสติตื่นรู้ไม่เพียงแต่ทำความดูตท่นั้นแต่ภาคเรียงปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าสู่ความดีของชีวิต เห็นถึงสัจธรรมวามสิของโลกเพื่อที่จะปล่อยวางและให้จิตใจเป็นอิสระจากความทุกข์แม้จะอยู่ในโลกแต่ใจนั้นเหนือโลกได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบกับดอกบุหนี่คือสิ่งที่เราเนะควรจะใส่ใจ การที่เราจะเสียเวลาไปกับความทุกงเสียเวลไปกับความโกรธเสียเวลาไปกับการข้ามตัวโดยเพราะเสียใจเมื่อหลวกพ่อคำเดชจากไปเอกควรจะมาระหนักว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านจากไปแต่ตัวแต่ท่านไม่ได้เอาสติกลับไปด้วยท่านไม่ได้เอาสติไปด้วยกับท่านท่านไม่ได้เอาความสุนตัวไปด้วยคำสอนของท่านยังอยู่กับเรา อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสมัยที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิธพามวันเดียวพระอานุลก็พาสามเนีจุนทะซึ่งเป็นน้องชายของพระสายฤทธิแล้วก็มาแจ้งขา่ า, ขา ว, าาาาวจต่พระพุทธเจ้าด้วยพระนาสงว่าพระสายฤทธิ์ปฏิบติธรานแล้วพระอนุ์แจ้งข่าวด้วยความเศร้าเสียใจพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระอนุลว่า เมื่อสาลีมุตไปสาลีมุตได้เอาศีลธรรมสมาธิขันปัญญาขันมีมุติขันแล้วก็มีมุติญาตาสมณฐานไปด้วยหรือไม่พระสาลีมุตกล่าวว่ไม่ได้ไปเลยเนี่ยทวเจ้าก็เลยพูดให้สติกับพระอานนโมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนี้ขึ้นแล้วเนี่ยมันย่อมต้องเสื่อมับลายไป ความปรารถนาที่จะให้สิ่งใดเนี่ได้มีการเสียทำลายไปไม่มีในฐานะที่จะเป็นไปได้และพุทธเจา้าก็สอนว่าเพราะฉะนั้นจึงเอาตึงตึ ง, ง, งเอาตอนเป็นเกาะตึงาตกาะตัวเสด็จพึงหมายความว่าเอาตนเป็นเอาธรรมะเป็นเกาเอาธรรมะเป็นพึ่งเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่มีความเศร้าโศกเสียใจ ในกูบาอาจารย์ที่ได้ลงลับไปแทนที่เราจะเศร้าโศกที่ท่านได้ลงลับก็คือขนาดว่าท่านนั้นจากกายจาตัวแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาคําสอนของท่านสติและความรู้สึกตัวความถุงต้นจากความทุกข์คนใหความไม่ทุกข์นั้นก็ยังอยู่รอการเข้าถึงจากเรานี่คือสิ่งที่เราเป็ น, นกันมา และควรทำความเพียนเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้ประกบแก่เราแลถ้าเราทำาช่นตั้นได้เราก็จะสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นูกสิษยของพระอค์ผู้เพียนเป็นบุญของพระพุทธองค์อย่างสมพรคภูรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาคารวะ หลวงพ่อทำเขียงมากรวัชริรักของท่านในวันนีน้ก็ขอให้เราได้พิจารณาว่าในความสูญเสียที่เกิดกับเราอันเป็นศึกของท่านเราควงจะได้รับสัจธรรมจากท่านมาเป็นเครื่องเตือนใจในการจเจริญอัปปะมาทธรรม คือความไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตเพื่อจะได้เร่งทำความเพียรเริ่มต้นด้วยการมีสติความรู้สึกตัวไม่ใช่เพียงเพื่อทําใจให้สงบแต่เพื่อทําใจให้สวา่างมีปัญญาเห็ความจริงของชีวิตของกายและใจของรูปแรงานามถึงความเข้าใจถึงความจริงของก็ต่ายลัง เพอี้เราจะได้ไม่หมงติดอยู่กับความเดมั่นหรือมั่นอันเป็นพูมอันทำให้เกิดภูมิอาตมาก็ได้กาวมาพอสมเตใหญ่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างถึงพระสุนทรนะจัยอำนวยบริโวยให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันรัตสุทัพมาละเพื่อเป็นพลวัตใจ ในการทำบาปให้ดีที่ชอรตั้งด้วยพาดด้วยศีลด้วยภาวนาไอ้ทุกท่านได้ทำความเพียรเพื่อให้มีสติความรู้สึกตัวอันจะนําพาทุกท่านให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตจนถึสว่าเห็นทางบรนลุเข้าถึงความสุขเกษมสาหมู่ัระญาตเป็นที่มายด้วยกันกับคนเทอ